ตวาดใส่หน้าเราเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยเนี่ยเราจะทำอย่างไรดีนะครูสาวคนหนึ่งนะสอนชั้นมัธยมแล้วก็สังเกตว่ามีนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยขาดเรียนเป็นประจำเลยวันหนึ่งเนี่ยครูก็เลยเรียกนักเรียนคนนั้นเน่ะซึ่งก็เป็นใบดุลแล้ว ให้มาหาช่วงพักเรียนก่อนนักเรียนคนนั้นมาถึงเนี่ยครูก็ถามเลยว่าเธอทำไมถึงขาดเรียนเป็นประจำบอกว่านักเรียนนนั้นก็โกนะตวาดใส่หน้าครูเลยแสดงอารมณ์โกรธเกลียวเท่านั้นไม่พอนะคว้างหนังสือใส่กำแพง แล้วก็เตะโต้ก็อีล้มลงแล้วยังคมครูนะครูสาวอีกนะทีลรกครูก็ตกใจแต่ก็ตั้งสติได้แทนที่จะตอบโต้นักเรียนหรือด่าว่าหรือว่าไปเรียกให้ใครมาจัดการกับ น, นักเรียนคนนี้นะ ผูก็ดิ่งสงบแล้วก็นั่งลงแล้วก็รอระหว่างที่รอเนี่ยนักเรียนคนนั้นก็ตะโกนโวกเวกโวยวายเหมือนกับโกรธใครมาไม่รู้พักหนึ่งเนี่ยสักพักใหญ่นะนักเรียนก็หยุดตะโกนแล้วแต่ก็ยังเดินงุนง่าน ไปทั่วห้องเลยนะด้วยอารมณ์หงุดหงิดครูก็ยังนั่งสงบอยู่นะรอจนกว่านักเรียนเนี่ยจะพร้อมคุยก็พักใหญ่ทีเดียวนะกว่านักเรียนชายคนนั้นเนี่ยจะอารมณ์ค่อยๆสงบลงครูก็เลยถามว่าเนี่ยพร้อมจะคุยกับครูหรือยัง นนเองนั้นเนี่ยนะก็หันมาหาครูนะแต่แทนที่จะพูดถึงเหตุผลว่าทำไมเนี่ยถึงขาดเรียนไปประจำเนี่ยนะกับระบายนะระบายบนว่าเนี่ยใครๆก็ชอบจับผิดผมพ่อแม่ก็ดูถูก เพื่อนบ้านนะก็คอยจ้องจับผิดเย็ดยามผมใครต่อใครก็เอาผมเนี่ยเป็นเอาดีไม่ได้แล้วก็เล่าพรังครูมาถึงชีวิตของเขาเนี่ยว่ามันถูกกระทำอย่างไรบ้างครูก็นั่งฟังนะจนกระทั่งนักเรียนเนี่ยก็สุดท้ายก็ มาพูดถึงสิ่งที่ตัวเองได้ทําผิดทำพลาดไปหลังจากที่ระบายโทษใส่คนนั่นคนกล่าวโทษคนนันคนนี้สุดท้ายก็นะมาพูดถึงนะความไม่ดีของตัวความบกพร่องความแม่ใจใสจากเดิมที่ระบายด้วยความน้อยเนือน้อต่าใจความโกรธแค้นนะความท้อแท้สิ้นหวังนะก็เริ่ม กลับมายอมรับในพฤติกรรมบางอย่างที่ตัวเองได้ทํารวมทั้งการที่ไม่เอาใจใส่ในการเรียนทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยนะนักเรียนคนนี้ก็ค่อยๆสงบแล้วก็เริ่มที่จะพูดคุยออกับครูด้วยเหตุด้วยผลมากขึ้น อันนี้ลองดึกพามถ้าเกิดว่าครูสาวคนนั้นเนี่ยแทนที่จะดิ่งสงบนะเมื่อถูกนักเรียนวุ่นวายใส่หน้าระเบิดอารมณ์กลับตอบโต้อาจจะตอบโต้เนี่ยฉันพูดดีๆกับเธอทำไมเธอมาพูดกับฉันอย่างนี้นะฉันเป็นครูเธอนะทำไมเธอก้าวร้าวแบบนี้ ถ้าครูพู้ส บ, บนอกไปเนี่ยก็คงจะยิ่งไปกระตุ้นให้เขาเนี่ยเกิดอารมณ์เกิดความโกรธแล้วก็ตอบโต้กลับมาดุแรงขึ้นในยามนั้ น, นแม้กระทั่งการเตือนสตนิก็อาจจะไม่ช่วยเท่าไหร่แต่ว่าครูสาวเนี่ยก็เลือกที่จะใช้วิธีสงบนิ่งแล้วก็ปล่อยให้นักเรียนคนนั้นเนี่ยโวยวาย เดินเดินพล่านด้วยอาการที่หงุดหงิดงุนง่านจนกระทั่งเนี่ยอารมณ์เริ่มสงบพออารมณ์เริ่มสงบแล้วเนี่ยก็เริ่มกลับมารู้สึกตัวเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นเราก็เริ่มที่จะพูดคุยนะด้วยเหตุด้วยผลให้ความนิ่งเนี่ยหรือความสงบเนี่ยมันก็มีพลังนะมันสามารถที่จะ สะกดคนที่กำลังโกรธกำลังกลายเกลียวเนี่ยให้เย็นลงได้แต่ปกติคนเราเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็มักจะไม่ยอมอยู่เฉยนะจะต้องหาทางตอบโต้แกแรงมาฉันก็แรงไปฉันไม่ยอมแต่มาระบายอารมณ์ใส่ฉันแบบนี้ยิ่งสำนึกว่าเนี่ยฉันเป็นครูฉันเป็นผู้ใหญ่เนี่ยหรือว่าฉัน ไม่ได้ทำอะไรผิดนะฉันพูดกับเธอดีๆทำไมเธอมาพูดกับฉันแบบนี้พอไปเอาผิดเอาถูกหรือว่าไปยึดมั่นนะว่าฉันเป็นครูเนี่ยมันก็มีแต่ทำให้เหตุการณ์เนี่ยมันร้อนแรงแล้วก็รุนแรงมากขึ้นในยามนี้เนี่ยนะการตั้งสติให้ดีแล้วก็ ไม่เอาตัวตนเข้าไปออกรับแรงประทะไปเอาตัวตนไปรับแรงด่ามันเป็นวิธีการที่จะช่วยทําให้เกิดความสงบแล้วก็เกิดการได้สตินักเรียนเนี่ยก็ได้สตินะจากการที่ครูเนี่ยสงบบางีความสงบของเราเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับกระจกสะท้อนให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยสงบลงไปด้วยหรือถึงแม้จะ ไม่ทําให้ไฟเงียบนะแต่ก็ไม่ถึงกับทําให้เกิดเรื่องรุนแรงนะบานปลายยิ่งนะพูดยิ่งตอบโต้นะแม้จะทําด้วยความปรารถนาดีแต่ว่าบางทีในยามนะั้นเนี่ยมันมีความคิดแต่จะเอาชนะมันมีแต่ความคิดว่าจะเอาถูกเอาผิดพอคิดเรื่องเอาถูกเอาผิดเนะี่ยหรืออย่างที่เคยพูดนะ พอไปยึดมันในความถูกต้องขึ้นมานี่มันก็กลายเป็นการประสานงากันแต่พอเราเนี่ยใช้ความสงบเนี่ยมันก็สามารถที่จะสยบอีกฝ่ายหนึ่งที่ร้อนแรงเนี่ยใ ห, ให้เย็นลงได้ในคนเราบางครั้งก็ต้องหยุ่เจอสถานการณ์ที่มันไม่ใช่แค่เจอคนมาระบายอารมณ์ใส่แต่บางทีอาจจะเจอคนที่ เข้าใจผิดหรือบางทีถึงกับมุ่งร้ายนะด้วยความเข้าใจผิดเลยก็มีนะอย่างในสาวัติกาลเนี่ยเมื่อครั้งที่พระเจ้าเนี่ยประทับอยู่ที่เชต ว, วันเนี่ยมันก็มีนักบวชนอกพุทธศาสนาจำนวนหนึ่งนะที่ไม่พอใจพระพุทธเจ้าแล้วก็คณะสงฆ์เพราะว่าได้รับศรัทธาจากผู้คนมากมาย ทำให้ตัวเองเนี่ยนะนอกจากสังการละจะน้อยลงแล้วนะลาบก็น้อยลงไปด้วยก็ไม่พอใจนะก็พยายามหาทางที่จะกั่นแกล้งหรือว่าหาทางที่จะใส่ไล่ป้ายสีเพื่อให้ชนให้ประชาชนเนี่ยเสื่อมศรัทธาก็มีการนะอ่ สมคบนะกับนางปริภาชิกาคนหนึ่งเนี่ยชื่อสุนทรีสุนทรีเนี่ยเป็นเป็นคนที่สวยนะสุนทรีนี่ก็เห็นด้วยนะอยากจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับพุทธเจ้าก็ทุกวันเนี่ยก็ทำทีนะตอนเย็นเย็นเนี่ยในขณะที่ญาติโยมจำนวนหนึ่งเนี่ยเดินออกจาก เชตวันเนี่ยเพื่อเข้าเมืองสาวัตถีเนี่ยนางสุนทรีก็เดินสวนคนกลุ่มนี้นะคนกลุ่นที่ถามว่าจะไปไหนเขาจะบอกว่าจะไปหาพระพุทธเจ้าจะไปสำนักของพระสมณโคดมและฉันก็จะไปนอนที่นั่นด้วยนะพอถึงเวลารุ่มเช้าเนี่ยตัวเองก็ทำทีนะเดินออกมาจากเชตวัน ก็เดินสวนกับญาติโยมนะที่จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสาวกญาติโยมแล้วก็ถามว่าเนี่ยมาจากไหนนางสุนทรกีก็พูดว่าเนี่ยมาจากเชตวันเนี่ยเราเพิ่งค้างที่กุฏิของพระสมณะโคด ม, มทนอย่างนี้เนี่ยทั้งที่จริงๆไม่ได้ทำหรอกนะเวลาเดินก็ไม่ได้เดินไปค้างในเชตวันนะแต่ก็เดินเลยไป ไปนอนค้างที่สำนักของเดรธีสำนักอื่นว่าทำอย่างนี้อยู่หลายครั้งนะแต่ว่านางสุนทรีนะี่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยถูกซ้อนแผนนะเพราะว่าพวกปริพาชงเนี่ยไม่ได้คิดจะาวางแผนเขานี่นะที่จริงหลอกใช้นางสุนทรีพอทางอย่างนี้ไปได้สักระยะหนึ่งนะก็ รอบ่านางสุนทรีเลยแล้วก็เอาศพเนี่ยไปฝังไว้ใกล้ๆกุฏิของพระ เ, เจ้าเชตะวันตอนนั้นก็ใหญ่นะก็คงจะมีพื้นที่ที่จะเอาศพไปฝังได้โดยที่ไม่มีใครรู้แล้วก็มีการโจกันว่า น, น, นางสุนทรีหายไปสงสัยเนี่ย ถูกพระสมณะโคดมเนี่ยฆ่าปิดปากนะเพื่อที่จะไม่ให้ความชั่วร่างตัวนี้แพร่งพลายบอกว่าตัวเองเนี่พ้นจากกามแล้วนี่แต่ว่าก็ยังนะก็ยังมีผู้หญิงมาปนเปรื้อเนี่ยก็ยเลยต้องการปิดนะเรียกว่าปิดปากนางสุนทรีก็เลยฆ่าก็โจทย์หรือปล่อยเขาหรือแบบแบบนั้นนะ แล้วก็ ท, ทําทีไปค้นหาศพนะก็เจอนะใกล้ๆ ก, กับกุฏิของพระพุทธเจ้าอยู่ในเขตเชตวันก็เลยนะโจ์หรือว่ากล่าวหาอย่างแพร่สัพัดเลยนะว่าผู้เจ้าเนี่ยไม่เพียงแต่เสพสมนางสุนทรีเท่านั้นนะแต่ว่ายังฆ่าปิดปากด้วยบอกว่าชาวเมือง สาวัตถีเนี่ยเชื่อนะลือสะพัดเลยนะแล้วก็โจดจันแล้วก็กล่าวหาแล้วก็ลุมประนามด่าว่าพระุทธเจ้าอันนี้ก็น่าคิดนะพระ เ, เจ้าเนี่ยทรงอยู่เชตวันแล้วก็โปรดชาวสาวัตถีมาเนี่ ย, ยเรียกว่ายี่สิบพรรษานะับว่านานที่สุดก็ว่าได้ตอนที่เกิดเหตก็ไม่ทราบนะว่าพระองค์เนี่ยอยู่ที่เชตวันกี่พันปาแล้ว แต่ว่าก็คงจะทําทให้ประชาชนมีศรัทธามากแต่พอคนได้ข่าวจากพวกปริภาชกนะว่าเนี่ยพุทธเจ้าในคาถาสุนทรีนี่ก็เชื่อกันเชื่อกันอย่างง่ายๆนะก็ <c oughs> คงไม่แต่คนสมัยเนี่ยที่เชื่อข่าวลือเชื่อเฟกนิวกันอย่างง่ายๆเหมือนกันแต่นี้ขนาดนะาัก็มีศรัทธาในพุทธเจ้ามาก่อนนะแต่พอเจอข่าวลือแบบนี้นี่ก็ก็หลงเชื่อทันที จากศรัทธาก็กลายเป็นเสื่อมศรัทธาแล้วก็ลุมปนนามอันนี้มันก็เป็นอุทาหรณ์สอนนะคนเราเนี่ยคำสารเสริญเนี่ยเยินยอเนี่ยหรือสักการะนี่มันเอาแน่เอาน้อยไม่ได้เลยวันนี้สารเสรินผู้นี้ก็อาจจะด่าก็ได้ทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดศรัทธาของผู้คนมันก็งอนงานงอนงานแบบงอนงานคลอนคานแบบนี้แหละ อันนี้ผู้คนเนี่ยในเมืองสาวัตถีเนี่ยรวมปรรนามนะดา่าพระเจ้าลวก็รวมไปถึงภาษาวกพานนนเนี่ยก็เห็นว่าอยู่ไปก็เปล่าประโยชน์นะตอนนี้นมลผู้เจ้าเนี่ยได้สด็จไปที่เมืองอื่นแต่พระเจ้าก็ตัดว่าเนี่ยเราก็จะอยู่ที่นี่แหละแล้วก็จะไม่ไปกล่าวไม่ไม่แก้ข้อกล่าวหาด้วย ก็น่าคิดนะทำไมผู้เจ้าเนี่ยไม่คิดที่จะแก้ข้อกล่าวหาแต่ว่าสงบนิ่งก็คงพอเห็นว่าพูดไปเขาก็ไม่ฟังหรอกเข้ากับมองว่าเนี่ยเป็นการแก้ตัวยิ่งโกรธแค้นมากขึ้นในยามนี้เนะะี่ยที่ผู้คนเนี่ยนะมีความเชื่อฝังหูฝังหัวเนี่ยว่าพระองค์เนี่ยทำอย่างนั้นเนี่ยพูดไปก็ ไม่เกิดประโยชน์มีแต่จะเกิดโทษเพราะพงก็เลยนิ่งทำเชือยู่เจ็ดวันนะไอ้เสียงนินเสียงกล่าวหาว่าร้ายเนี่ยก็ค่อยสงบลงเพราะเริ่มมีคนเกิดได้คิดขึ้นมาว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้นะ่า จ, จะเป็นข่าวลือหรือการใส่ร้ายก็ได้และสุดท้ายเนี่ยความจริงก็ปรากฏนะเพราะว่าเฆ า, าตากรเนี่ยที่ฆ่านางสุนทรีเนี่ยก็ ไปพูดเล่าสู่เพื่อนฝูงนะว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยลงมือก็เผอิญ น, นะจระบรบรลุดนะหรือว่าสายลับเนี่ยของพระเจ้าปรสจิโกสนเนี่ยได้ข่าวนะก็เลยไปทูลพระเจ้าเปรตจิโกสนพระเจ้าปรตจิโกส น, น, ก, สนก็เลยจับอ่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยมาก็สารภาพนะว่ารับจ้างพวกปริภาชคเนี่ยรอบฆ่านางสุนทรี ความจริงก็ปรากฏในสุดอันนี้พอความจริงปรากฏนะคนก็กลับมาสรรเสริญพระพุทธเจ้าใหม่อันนี้มันก็เห็นเลยนะโลกธรรมเป็นอย่างนี้แหละจากสรรเสริญก็กลายเป็นนินทาว่าร้ายแล้วจากนินทาว่าร้ายก็กลายเป็นสรรเสริญพระพุทธเจ้านี่ก็ทรงทราบดีนะว่าเนี่เนี่ยคือโลกธรรมแล้วพรมก็ฉลาดพอที่รู้ว่าในสถานการณ์แบบนี้นี่พูดไปไม่มีประโยชน์พูดไปเขาก็ไม่ฟังหาว่าแก้ตัว เรื่องธรรนองี้ก็เหมือนก็ก็มีในเวลาต่อมานะอันนี้พวกเราจะเคยได้ยินมาแล้วเรื่องของท่านทาโกอินเนี่ยท่านเราโกอินนี่ก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่นเมื่อสามรอปีที่แล้วก่อนที่ท่านยังหนุ่มนะประมาณสักสาสิกว่าเนี่ยตอนนั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วนะก็บอกว่ามีหญิงสาวเนี่ยในหมู่บ้านใกล้ๆวัดเนี่ยเกิดท้องขึ้นมาและตอนหลังเนี่ย พอพ่อแม่คาดคั้นก็เลยอ้างว่าเนี่ยท่านฮากูอินนี่แหละนะเป็นพ่อของลูกในท้องพ่อแม่ของหญิงสาวเนี่ยโกรธมากเลยนะไปที่วัดเลยนะแล้วก็ไปด่าว่าท่านฮากุอินท่านากุอินแน่นอนนะไม่รู้เรื่องนะแต่ก็รู้ว่าแต่ก็นิ่งนะท่านก็เพียงแต่พูดว่าอย่างนั้นเหรอ นะถ้าไม่ปฏิเสธนะตอนหลังเนี่ยหญิงสาวคลอดลูกออกมาเนี่ยพ่อแม่ของหญิงสาวก็เอาลูกเอาทารกเนี่ยไปให้ท่านทากุอินเลี้ยงท่านอากุอินก็พูดแต่เพียงว่าอ๋อเท่านนะั้นอย่างนั้นเหรอนะแล้วก็เลี้ยงดูเด็กทารกนั้นแต่ถ้าไม่ได้เลี้ยงเองนะมีคนช่วยด้วยมีคนช่วยแต่เวลาท่านไปไหนเนี่ย ท่านก็เอาเด็กทลรกไปด้วยเสมือนกับเป็นลูกดูแลอย่างดีเลยจกนกรทั่งในสุดหญิงสาวเนี่ยแม่ของเด็กเนี่ยทนไม่ได้นะก็เลยสารภาพว่าเนี่ยไอ้หนุ่มนะใกล้ๆก้กันเนี่ยเป็นพ่อของเด็กพ่อแม่หญิงสาวนี่พอรู้เขาตกใจเลยนะเพราะว่าไปด่าว่าท่านากุอินเยอะแยะก็รีบตรงไปที่วัดของท่านากุยินเลย แล้วก็บอกขอโทษขอโพยแล้วก็ชมน้วว่าท่านตะกุยนี่ใจเลิศประเสริฐมากเลยแม้ถูกกล่าวหาถูกด่าว่าก็ยังนิ่งท่านตะกุยก็ไม่พูดอะไรก็เพียงแต่พูดว่าอ๋อย่างงั้นเหรอคือว่าท่านไม่ยินดีร้าเลยนะใครด่าว่าท่านท่านก็อย่างงั้นเหรอใครมาชมท่านท่านก็อย่างงั้นเหรอญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยมันก็มีพระบางบางนิกายที่มีเนียได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย แม้ว่าคนจะเชื่อว่าทานากุอินเนี่ยมีลูกนะหรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเนี่ยเขาก็ไม่จับสึกนะเพราะว่ามันมีนิกายนะที่มีครอบครัวได้ตั้งแต่สมัยล้าละแต่ว่าชื่อเสียงท่านก็ป่นปีนะก็มีคำถามว่าทำไมท่านไม่ชี้แจงไม่แก้ตัวไม่อธิบายตอนที่พ่อแม่ของหญิงสาวเนี่ย นะมาด่าว่าท่านนะว่าเป็นพ่อของเด็กในท้องถ้าคงรู้ว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์นะพูดไปก็หาว่าแก้ตัวคนที่กำลังโกรธนะเขาไม่ฟังหรอกท่านก็เลยว่าเขอคิดว่านิ่งเอาไว้ดีกว่านะแล้วท่านก็เชื่อว่าเนี่ยในสุดความจริงก็ปรากฏแม่ใช้เวลานะแต่ท่านก็รู้ว่าเนี่ยธรรมชาติองคนเราเนี่ย ในอย่างที่มีอารมณ์ร้อนแรงนะไม่ใช่เฉพาะความโกรธอย่างเดียวแม้กระทั่งความเศร้าเนี่ยจะพูดอะไรไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการชี้แจงเขาก็มองห า, าเป็นการแก้ตัวก็มีแต่จะไปกระตุ้นให้เขาเกิดความโกรธมากขึ้นไอตัวอย่างนี้มันก็ชี้เห็นได้ว่าความสงบเนี่ยความนิ่งเนี่ยมันก็มันก็มีอนุภาพนะอย่างน้อยมันก็ดีกว่าการ วยวายหรือว่าในบางกรณีมันก็ดีกว่าการพูดจะอธิบายด้วยซ้ำพอพูดไปเขาก็ไม่ฟังก็ควรแต่ัะนิ่งสถานเดียวที่จริงไม่ใช่เฉพาะคนที่มาต่อว่าด่าทอหรือคนที่มาตะโกนกลาดเกลียวนะที่อยู่ต่อหน้าเราแต่เราสามารถจะสงบได้ด้วยความนิ่งเนี่ยเวลามันมีอารมณ์ได้ร้ายในใจเราเนี่ย ความโกรธก็ดีความเกลียดก็ดีนะความเซงหรือว่าอารมณ์อกุศลต่างๆก็ดีเนี่ยมันไม่มีวิธีอะไรทีเดียวอาการนิ่งนะนิ่งแล้วก็ดูอารมณ์เหล่านั้นคนจนไม่น้อยเนียเน่ยพอมีความโกรธหรือมีความเศร้ามีความเบื่อความเซงเนี่ยหรือแม้กระทั่งความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยก็มักจะอดทนทนไม่ได้เข้าไป สู้รบตบมือกับอารมณ์เหล่านั้นมันโกรธมาได้ยังไงทำไมแค่ต้องโกรธ ด, ด้วยอันนี้พูดกับตัวเองนะทำไมแค่ต้องเศร้าด้วยพอมีความเหงาขึ้นเหมือนกันนะก็อยู่เฉยไม่ได้ต้องเข้าไปไล่บี้อารมณ์เหล่านั้นแต่ก็อย่างที่เรารู้นะประสบการณ์พวกเราคงจะรู้ว่าพอเราไปตอกก่อนไปไล่บี้กับอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันกลับมี เรียวมีแรงมีกำลังมากขึ้นยิ่งไปบี้บีหรือไปสู้รบตบมือกับมันนะมันยิ่งนะเติบใหญ่มากขึ้นแต่วิธีที่ดีกว่าคือการที่เรานิ่งสงบดูมันเฉยเฉยดูมันเกิดขึ้นนะแต่ว่าไม่กระโจนเข้าไปสู้รบกับมันแล้วก็ไม่ไ ป, ปล่อยให้มันเข้ามาครอบงำไอ้ความนิ่งในใจเราเนี่ย อันนี้แหละที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่ารู้ซื่ อ, อรู้ซื่อคือรู้แบบนิ่งๆนะรู้ด้วยการที่นิ่งสงบไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะจะเรียกว่าอุบเบกขาก็ได้อย่างที่หลวงพ่อเขียพเพื่นน่ยคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างอันนี้รวมถึงอารมณ์ด้วยนะความนิ่งเนี่ยด้วยการ ด้วยการที่ใจเป็นกลางต่ออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นวิธีที่รับมือกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจได้ดีมากแต่เราลองสังเกตดูเราจะไม่ค่อยนิ่งนะกับอารมณ์เหล่านี้ถ้าไม่ปล่อยให้มันครอบงำแล้วก็บงการจิตใจของเราเราก็พยายามที่จะไปสู้กับมันพยายามที่จะไปบี้มันพยายามที่จะไปกดข่มมันหรือไปต่อรอดต่อเทียกับมัน ทำไมฉันคิดแบบนี้ฉันไม่น่าคิดแบบนี้เลยน ะ, ะทำไมฉันมีอารมณ์แบบนี้พยายามที่ไปสู้กับมันหรือพยายามที่ไปหาถูกฮเอาถู ก, เ อ, ถกเอาผิด ก, กับอารมณ์เหล่านี้มันไม่มีประโยชนนะ์กับจะทำให้เราเนี่ยนะตกอยู่ในอำนาจของมันมากขึ้นวิธีที่ดีก็คือว่าเนี่ยนิ่งสงบนะดูอารมณ์เหล่านั้นแต่ก็ต้องดูให้เป็นนะถ้าดูไม่เป็นนี่มันอดไม่ได้ที่จะเข้าไปบี้มัน ก็ไปจัดการกับมันตรงนี้อะที่ต้องใช้สติมากเลยนะสตินี่มันช่วยทำให้การนิ่งของเราเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่ความคิดหรือความตั้งใจนะแต่ว่ามันกลายเป็นความจริงอยากจะนิ่งแต่มันนิ่งไม่ได้เพราะสติมันไม่พอแต่ถ้าเรามีสติพอนะอ่าสติมาช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนิ่งแล้วก็ดูอารมณ์เรานั้นเกิดอาการที่เรียกว่าเห็นไม่้าอปเป็น หรือวรู้ซื่อๆแล้วต่อไปนะพอเรานิ่งกับอารมณ์เหล่านี้ได้เนี่ยหรือว่ายอมให้มันเกิดขึ้นแต่ไม่ไปสู้รบต่อมือกับมันต่อไปแม่ไม่ใช่แค่อารมณ์ภายในนะที่เรานิ่งได้เนี่ยไอ้สิ่งที่กระทบเราจากภายนอกเนี่ยแม้จะเป็นรูปเมื่อกระทบตาเสียงกระทบหูเราก็นิ่งได้นะเสียงดังนะเราก็นิ่งได้ไม่ ปันป่วนไม่คิดที่จะไปต่อลอดต่อเถียงกับเสียงที่มากระทบเห็นคนทำอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องบางทีเรากำลังพูดคุยกาลังบรรยายอยู่ว่ามีคนพูดคุยกันมีคนเล่นโทรศัพท์นะเราก็นิ่งได้นะไม่เกิดความขุ่นมัวไม่เกิดความหงุดหงิดก็รู้ว่าเขาทำไม่ดีทำไม่ถูกต้องแต่ว่าเราก็นิ่งได้ไม่ไม่หัวเสียไม่หงุดหงิด ไปกับสิ่งที่เห็นหรือว่าเสียงที่ได้ยินรวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆด้วยนะพอเหตุการณ์ต่างที่มันไม่เป็นไปดังใจนะลดติดบ้างละหรือว่าคนมาทำไม่ถูกใจไม่ถูกต้องนะเราก็นิ่งได้นะ้วก็สามารถที่จะหาทางออกหรือว่า วิธีการที่จะเกี่ยวข้องกับให้ถูกต้องจนกระทั่งเกิดเหตุร้รายขึ้นมาเนี่ยเกิดไฟไหมนะ้หรือว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็ต่อไปก็จะนิ่งได้เหมือนกันเพื่อให้สติเพื่อให้ปัญญาได้เข้ามาทํางานนะว่าจะหาทางออกอย่างไรที่ดีที่สุดพเพราะถ้าเกิดว่าโวยวายตีโพยตีพายขึ้นมานี่มันก็ปัญญามันก็ไม่ทํางานแล้ว แล้วก็บางทีแทนที่จะแก้ปัญหาก็ทำให้ปัญหามันหนักขึ้นเพราะน่นความนิ่งเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะมันสามารถที่จะสยบความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจหรือว่าความทุกข์ที่มันสืบเนื่องจากเหตุการณ์ภายนอกที่มากระทบเราก็ได้เอาคำนี้พูด่านี้นะอากาพะ